จะเทศเรื่องเริ่มต้นใหม่ไม่วู่นวายตลอจะตสักทีเริ่มแล้วก็เริ่มเราอยู่นั้นแนีะเบื้องต้นการทำสมาธิภาวนาใครๆก็ต้องการอยากจะทำให้สูงเด่นขึ้นไปลืมเบื้องต้นเสียมันก็ไม่ถูกเหมือนกัน เมื่อจับต้นไม่ถูกแล้วม่าจะจับลายก็จกับตามก็ไม่ถูกกจริงต้นไม้ท้าหาว่าจะเป็นไม้ล้มลุกหรือไม่ยืนต้นกระามแล้วปลูกลงในพื้นดินฝังให้แน่นแล้วมันจ่ไปขึ้นท่าหาว่า เราเห็นคนนั่นปลูกน้นก็ขึ้นน้ำดีคนนี้ก็ปลูกนี่ก็ขึ้นน้าดีไปอยากได้ย่างเขาไปย้ายไปเรื่อยปลูกย้ายไปเรื่อยในคนที่สติกโตตายครับต้นไม้เลยมันขึ้นเติบโตขึ้นมันพูดทำสมาธิเหมือนกันนะเนี่ยเห็นก็ทําได้ดีได้ดีอย่างนั้นอย่างนี้คนนั่นก็ว่านนั้นคนนี้ก็ว่าอย่างนี้ อนาปารสติบงังพุดโธบงังยุกนาะ้องหนาะธรรมะา้ะหังเห็นเขาดีก็เลยอยากดีกับเขาย่ายไปเรื่อยให้คนที่เสเกิเไม่ไม่ได้รับสักอันเดียวเรื่องการธรรมนาอย่างนั้นเหมือนกันควองดีไม่ใช่อื่นไกล ของดีเกิดที่หัวใจของเรานันเนี่ยได้ไปไหนไปไหนเก่าถอกพฤติกรรมไหนเก่าถอกจะต้องใช้กายวะาต้องใช้กายใช้ใจนี่แหละลองคิดดูท่านพระเจ้าสอนพวกเราไงนิทา น, นต่างๆหรือเรื่อ ง, งต่างๆที่ท่านเป็นมาแล้ว ท่านสอนเกีหัวใจในท้งนั้นถึงเขาทำดีทำดีในในความรู้วิชาจริงก็ต้องออกไปจักหวัวใจของเขานึ่งอะแต่เราทำไม่ถูกเราก็มีใจเหมือนกันกับเขามีความคิดความนึกเหมือนกันกับเขารู้สึกดีช่วยอย่างนั้นกันกบเขาอนะ่ะแต่เราทำมันไม่ถูก ไม่เป็นหลักฐานทำอะไรไม่มั่นคงไอ้พุทธองค์เทศศาสนาวะก็ยีรากิจเจกิจดาเทนังดันทะในนังประักกมิทำอะไรทำจริงจิตทำมันเร่วแน่เต็มที่เงึงจะเป็นรประโยชน์ มันตัวเราไม่ทำจริงจังนันสิน